จะเรื่องพุทธรรมขยันขยันนี้ประชาชนเที่ยวแสดงบุญกันมากเพราะอยู่ในช่วงระยะเวลาราชาการอยู่เข้าพําษา พระก่อนไม่ได้ไปไหนมาไหนหากไม่จําเป็นจริงๆขอต้องอยู่ข้างที่นี่จะมาสร้งครบปลามากสามเดือนในเวลาที่อยู่ไม่ได้ไปไหนมาไหนเป็นโอกาสที่จะได้ประกอบความภาคเพียรไม่เหมือนยังคารวาสซึ่มีจิตบ้านการเดือนมากมาย รู้สึกมีวิโตกวิจารณ์ที่เกี่ยวกับชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาเท่าที่ควรเราจะเห็นได้เวลาที่ไปหาพระดังวันนี้เป็นต้น เอานั่นมนาะเศษเขานี่ให้เป่ายุ่งไปหมดศาสนาเลยกลายเป็นศาสนาเศษเป่าไปแต่เวลาถามถึงพระองค์นั้นดีอะไรดีทางไหนหวะองค์นั้นดีทางไหนองคนี้ดีทางไหนซึ่งด้นแล้วตั้งแต่นอกเศษนอกรอยของพระศาสนาทั้งนั้นไม่ใช่หลักของศาสนาอันแท้จริง พระพุทธเจ้าท่านสอนคนไม่ให้หาเรื่องเครื่องรางของขลังอย่างนั้นให้ขลังอยู่ภายในตัวเองด้วยอํานาจแห่งการประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบความศักดิ์สิทธิ์ความดีความดีก็เกิดขึ้นจากการทําดีภ า, ายในตัวเองนีเ่เท่านั้นเสพในเต่าให้หอย้ผิดเสพอาหารอะไรนี่ส่วนมาก เป็อย่างนั้นถ้าเราไม่ทําให้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในหัวใจแทนที่จะเป็นกุศลกับกายเป็นโทษขึ้นมาแต่ตัวเองไปหาอาจารย์นั้นท่านยังทํามหาอาจารย์นี่ทำไมไม่ทำํำนะผิดสองชั้นสามชั้นไปไปหาอาจารย์นั้นมันก็ผิดแล้วมาหาอาจารย์นี่ก็ผิดอีกศาสนาไม่สอนคนผิดทําไมจึงต้องไปผิดเช่นนั้นก็เพราะความเข้าใจของคนผิด กับหลักปรัชานั่นแหละจึงปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาพยายามทําตัวของเราให้ดีเถอะความดีจะอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นพระพุธทธเจ้าทนก็ดีขึ้นจากการปฏิบัติของพระองค์เองแม่สาวกจำนวนมากเพียงไรก็ตามทานเอาของดีจากการปฏิบัติดีของท่าน จะเห็นได้ชัดเจนภายในใจในทิฏฐธรรมก็คือจิตตะภาวนาเป็นงานสำคัญมากทางพุทธศาสนาที่ผู้อยากจะทราบเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นนรกสวรรค์เป็นต้นหรือบาป บ, บุญเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้ ไม่พ้นจากจิตที่จะเป็นผู้สัมผัสสัมผันธ์ราบทราบทราบไปจากจิตมีอยู่ที่จิตก็มีทราบไปจากจิตก็มีมแต่พอย่างยิ่งดังที่เทศแล้วเมื่อคืนนี้เรื่องตายตายเกิดตายสูญ น, นี่ทำไมถึไปสงสัยกันมากมาย่ก่อน บางรายถึงกับปักจิตลงไปดิ่งเลยถอนตัวไม่ขึ้นว่าตายแล้วศูนย์เป็นความสำคัญทั้งดุ่นทีเดียวเมีม่อทำเขาแทรกได้เลยยังเป็นผู้สเสาะแสวงหาเพื่อจะทราบความจริงอย่างนี้อยู่ก็ออยังดีที่เป็นความปักใจลงไปโดยไม่ยอมฟังเสียงใครเลยนั้น ก็เรียกว่าโรคนี้อาการหนักหมอยาไม่สามารถแล้วเพราอไม่สนใจกับหมอกับยาไม่มีทางแกง้อันนี้เราจะทราบได้อย่างไรนี่หลักใหญ่จะไม่พ้นไปจากจิตตะพวนเลย ใครจะสงสัยขนาดไหนก็ตามถ้าตั้งใจปฏิบัติตามหลักศาสนะธรรมที่สอนไว้โดยถูกต้องนี้แล้วจะเข้าสู่จุดดังกล่าวนี้โดยไม่สงสัยเพราะจิตเต็มไปด้วยความมัวหมองเต็มไปด้วยความมืดดำจะหาความสว่างกระจ่างแจ้งให้เห็นของจริงได้อย่างไรขยับตัวอนิดก็เป็นเรื่องของปลอมขยับตัว เนี้ยจะไม่ขยับอยู่ด้วยปกติของจิตธรรมชาตินี้ก็หมักหมมอยู่ภายในมันก็เหมือนนักโทษนอนอยู่ก็เรียกนักโทษยืนอยู่ก็เรียกนักโทษนั่งอยู่ก็เรียกนักโทษทำหน้าที่การงานอยู่ก็เรียกนักโทษทำงานหนะอะไรๆเป็นนักโทษไปหมด จิตนี้กำลังเป็นเช่นนั้นยังไม่มีคุณค่าพอจะพิสูจน์ตนได้อย่างชัดเจนและพิสูจน์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนได้อย่างแจ้งชัดจึงจำเป็นต้องเกี่ยวข้องหรืออยู่ใต้อานาจของสิ่งเหล่านี้ถักดันไปเมื่อได อบรมทางด้านจิตตภาวนาใจที่เคยฟุ่งเฟอ้เอเหอือเหมหรือฟุ้งซ่านลำคาญอะไรก็แล้วแต่ตามนิสัยของใจที่มีสิ่งก่อกวนอยู่ภายในตนต้องเป็นเช่นนั้นการภาวนาก็เพื่อจะระงับความฟุ้งซ่านเหล่านี้ จึงต้องอาศัยทำบทใดบุญเป็นเครื่องยึดของจิตเช่งท่านสอนใหน้ภาวนาพุทธโธหรืออนาปานาสติเป็นต้นทำทั้งสองประเภทนี้คือเครื่องยึดของใจเพื่อเป็นอารมณ์ของใจใจที่ได้กําหนดอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีพุทธโธเป็นต้นไม่ให้ส่งไปสู่ที่อื่นแล้วจะรวมกระแสของตัวเข้ามาสู่จุดนั้น รากฏเป็นความสงบเย็นใจลงไปผลสุดท้ายเมื่อสงบพึ่งตัวเองได้แล้วคำว่าพุโทโธก็หมดความหมายไปเองจะซึมซาบเข้าสู่ความรู้ที่รวมตัวแล้วนั้นชงตัวได้คำว่าพุโทโธก็หายไปในขณะนั้นนี่คือจิตสงบพอจิตเริ่มสงบให้เห็นประจักภายในตัว เราก็ทราบเราก็เริ่มทราบโทษแห่งความฟุ่งซ่านของใจจึงต้องพยายามทําจิตให้มีความสงบขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสงบเต็มที่ก็เห็นโทษแห่งความคิดวุ่นวายต่างๆเต็มที่เหมือนกันนี่เราจะพิสูจเรื่องต่างๆ ถึงเราจะไม่พูดว่าเราพิสูจน์เรื่องนี้ก็ตามแต่จะเข้าสู่จุดนี้เพราะสิ่งที่เราพิจารณาหรือรทำอยู่นี้มันเกี่ยวโยงกันกันกบเรื่องที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันพอจิตสงบตัวนี่พูดตามหลักทั่วๆไปแต่เรื่องนี้สายนั่นเป็นอีกแง่ง พระจิตสงบตัวเรียกว่าจิตรวมตัวเข้าสู่ความรู้อันเป็นหลักเดิมของจิตอาการของจิตคือความคิดนั้นส่งนี้และรวมเข้าไปสู่จุดนั้นเป็นความรู้อันหนึ่งขึ้นมาอย่างเด่นชดัดภายในจิตใจเพียงเท่านั้นเราก็พอทราบได้ว่าเวลานี้จิตไม่ได้สืบต่อกับเรื่องอะไร เป็นความพักสงบตูวหน้าที่การงานของจิตก็คือความปรุงคิดในแง่ต่างๆระ ง, งับไปหมดในขณะ น, นี้นี่เราคอซอทราบได้ความระ ง, งับกับความขาดจากอารมณ์ของจิตนั้นผิดกันต้องอาศัยการภาวนาเพื่อความระ ง, งับก่อนเมื่อจิตถ้าเข้าสู่ความสงบ ระงับอารมณ์ทั้งหลายได้จิตจะมีความผาสุกเย็นใจภายในตัวจากนั้นท่านก็สอนปัญญาปัญญานี่สมคัญมากเทคนิคจะเข้าตัดฟันสิ่งเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับกิ่งไม้เราต้องการไม้ไผ่ลำนี้มันเกี่ยวข้องอยู่กับข้านงใดบ้างแล้วตัดขนงนั้นออกข้นงนี้ออก แล้วมันก็ขาดตกลงไปอาการของจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเมื่อจิตสงบแล้วพอทราบได้ปัญญาสอดแทรกไปตามอาการต่างๆอย่างที้ท่านสอนเกศาลรมานขาทันตาตะโจเป็นต้นให้ถืออันนี้เป็นงานของของจิต พิจารณาไปโดยลนดับหรือจะพิจาราในส่วนใดส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะกระจายไปในอาการทั้งหลายได้นี่ก็ตามจริตนสิสัยปัญญาเป็นสิ่งที่ตัดฝันสมาธิเป็นสิ่งที่รวมตัวที่เล็ดเข้ามาสู่ จุดที่ต้องการคือรวมเข้ามาสู่ใจปัญญาเป็นผู้คลี่คลายหาเหตุหาผลหาแง่ต่างๆของจิตของกิเลสที่ไปแทรกอยู่ในสิ่งใดสิ่งใดแล้วค้นคว้าลงไปจนกระทั่งเห็นแจ้งชัดเจนแล้วก็ขาดจากกันกับอารมณ์นั้นๆหรือวัตถุนั้นๆ ด้วยอํานาจของปัญญานี่คือตัดทางเข้ามาตัดทางของวัตตะคือความสืบต่อของจิตสืบต่ออยู่เรื่อยๆความสืบต่ออย่างพบ ก, ก็เป็นไปจากความสืบต่อของจิตที่คิดอยู่โดยลําพังตัวเองนี่แหละเมื่อสติปัญญามีความแก้วกล้าสามารถโดยลําดับก็ตัดอารมณ์ที่ มาเกี่ยวข้องกับจิตให้เป็นตัวประทานขึ้นมานั้นออกได้โดยลำหนับลำหับรูปหมายถึงรูปกายของเรารูปนอกหมายถึงรูปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆท่านที่อยากว่าอายจนอายตะภายนอกอายตนาภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อทั้งสองอย่างนี้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กั น, กนจะเกิดอารมณ์ใด อารมณ์หนึ่งขึ้นมาตามความสัมผัสนั้นๆแล้วให้เกิดความดีใจเสียใจรักบ้างชังบ้างเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสแสดงตัวปัญญาคอยพิจารณาคอยตามต้นกันอยู่เรื่อยๆก็สามารถที่จะทราบชัดในความเกี่ยวโยงของจิตกับอารมณ์นั้นๆแล้วตัดขาดกันได้เป็นระยะระยะนี่เรียกว่าปัญญา ปัญญาเป็นผู้ถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นผู้จับกิเลสเข้ามามัดหรือรวมตัวหรือเรียกว่าเข้ามาสู่ที่ฆ่าปัญญาเป็นผู้ฆ่าปัญญาเป็นผู้ตัดกั้นจิตขาดจากสิ่งภายนอกกอทราบด้วยอำนาจของปัญญาสิ่งภายนอกคื อ, อได้แก่อุจจนะภายนอกนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมั ขาดจากกันกับใจใจไม่สืบต่อใจไม่ซึมทราบเน้ตาจะกระทบก็สักแต่รู้แต่เห็นแต่ได้ยินไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นเพราะได้พิจารณาอย่างถ่องแท้และตัดขาดจากกันไป แ, แล้วด้วยปัญญานี่คือการตัดทาง ว, วัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตัวเอง จนกระทั่งสามารถพิจารณาธาตุขันธ์รูปกายของตนได้อย่างชัดเจนและถอนภายในนี้อีกอเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆมีอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจก่อใช้ปัญญาพิจารณาสอดแทรกไปโดยลำดับลำดาจนรู้ตลอดทั่วถึง ในเวทนาทั้งสามคือตุกทุกเฉยซึ่งมีอยู่ในส่วนร่างกายนี้ก็ขาดจากกันแม้จะเกิดขึ้นก็ทราบ่าเกิดขึ้นแต่ไม่ถึงทราบถึงจิตเหมือนแต่ก่อนที่ปัญญายังตัดไม่ขาดสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ก็พิจารณาไปในนัยยะอันเดียวกันจนเป็นที่เข้าใจด้วยปัญญาเหมือนกัน ค่อยขาดไปเรือยแบบแล้วอาการตังกล่าวนี้ที่เรียกว่าขันเนี่ยก็ขาดจากใจคำว่าขาดจากใจนั้นในหลักธรรมชาติของใจต้องเป็นผู้รับผิดชอบในร่างกายเมื่อรับผิดชอบในร่างกายก็ต้องรับผิดชอบในขันคือรับผิดชอบในกองรูปคือกายของตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องถือเป็นตนหมดถือว่าเราเป็นหรือว่าของเรา ที่มาแยกจากกันไปแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เคยถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็หมดความหมายไปเพราะทราบชัดจะถือว่าเราได้อย่างไรปัญญาบอกชัดๆขาด น, นี่นี่วิธีพิสูจน์เรื่องตายเกิดตายสูญเกิดหรือไม่เกิดได้เพราะเหตุอะไรเราจะทราบได้จากจิตซึ่งเป็นตัวเกิดเป็นตัวทํางานเรื่องเกิดเรื่องตาย ด้วยปัญญาของเราเองวิธีอื่นไม่มีทางที่จะทราบความจริงเหล่านี้ได้นอกจากกิตธภพวนานี้เท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับรองมาแล้วเพราะได้ทรงเห็นผลมาแล้วด้วยประจักษ์ผ้าถ่านี่ตัดเข้าไปเป็นตอนตอนการพิสูจน์เรื่องตายเกิดตายสูญท่านพิสูจน์อย่างนี้พิสูจน์ด้วยหลักปฏิบัติ ตามความเคลื่อนไหวของจิตความยึดของจิตงานของจิตมันเป็นอย่างไรตามด้วยปัญญาแต่ก่อนมันตามกันไปด้วยความรุ่มหลงจิเลตเป็นผู้สร้างความรุ่มหลงอุปทานคือความรุ่มหลงประเภทหนึ่งมันก็ตามกันไปเรื่อยๆมันมีแต่เรื่องของจิเลตเป็นผู้ทํางานเป็นผู้รับผลผิดผลของงานขึ้นมาโดยลําดับให้เป็นความทุกข์แก่พวกเราเพราะปัญญาไม่มีทางที่จะทํางานหรือโต้อตอบสิ่งเหล่านี้ กันนี้ได้จึงต้องยอมรับกันทั้งๆ ท, ท, ที่ตนไม่ต้องการไม่ปรารถนาขยะขแข็งก็ยังจําจําต้องยอมรับเพราะเหตุผลในฝ่ายนั้นเขาบังคับให้ยอมรับไม่ต้องการก็ต้องยอมรับเพราะอานาจวาสนาหรือความสามารถของเราไม่ไม่พอที่จะต้านทานหรือตัดขาดกันได้เมื่อจิตมีสติปัญญาเป็นเครื่องการกรอง เป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องประหัตประหารสิ่งที่มาเกี่ยวข้องที่จะเป็นอันตรายหรือเป็นภัยต่อจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอก็ทราบเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งยังเหลือแต่ใจดวงเดียวนั่นยิ่งเห็นได้ชัดที่นี่อาการทั้งห้าข้างนอกเราไม่ต้องพูดรูปเสียงกลิ่นด้เครื่องสัมผัสมันห่างไกลมากพอรู้แล้วปล่อยมาแล้วยุ่งทำใหม่มันรู้เองฮะเรียกว่าพอแล้วมันก็รู้ ทันทั้งห้ารูปเบธนาสัญญาทังฐานวิญญาณก็พิจารณาจนรู้เท่าทันและปล่อยวางตามหลักธรรมชาติของอาการเหล่านี้ไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันที่นี่ น, ะนี่ตัดกิก่งก้านตัดทางเดินทางออกของวัตจักที่จะทำให้เกิดให้ตายมันหมุนเพราะมันอยู่อย่างนี้ออกตัดออกได้โดยลาดับจนกระทั่ง เหลือแต่จิตนั่นที่นี่คำว่าเหลือแต่จิตนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเหเ้ยมไม่มีเมื่อถูกตัดทางเดินออกเข้าของเขาแล้วมันก็เข้าไปรวมอยู่ในอุมโมงค์ไปหลบภัยอยู่ที่นั่นอุมโมงค์นั้นได้แก่จิตเดียวปัญญาก็ตามต้อนเข้าไปมีเรียกว่าปัญญาอันแหลมคม ที่จะพิจารณาอารมณ์เหล่านี้อาการเหล่านี้หรือจิตนี้ได้ต้องเป็นมหาสติมหาปัญญาคืออยู่ในขั้นนี้แล้วจะไม่ลดละปล่อยวางอาการต่างๆที่เป็นเรื่องของกิ่เละมีมากมีน้อยเพียงไรจะมีแต่การต่อสู้ประหัตประหารกันเรื่อยๆโดยไม่มีการลดละท้อถอยดูจิตค้นดูที่จิต เช่นเดียวกับคนดูสภาวะธรรมทั่วๆไปมีขันเป็นต้นเพราะเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเหมือนกันที่มีอยู่ภายในจิตถ้าเราถือจิตเป็นเราเสียเราก็ไม่มีทางที่จะทำรักิีเลศหรือฆ่าขิเล ส, เลสซึ่งมีอยู่กับจิตได้เพราะเรารักเราสวงวนจิตเราเราไม่อาจจะแตะต้องเมื่อเราจะแตะต้องคีเลสก็เป็นการแตะต้องจิตส่วนมากเราไม่ทราบว่าขิเลศอยู่ภายในจิต ความจริงก็คือกิเลสมันรวมตัวเข้าไปอยู่จุดเดียวเพราะไม่มีทางหลบซ่อนจะหลบอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหลบอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสั้งขานวิญ ญ, ญาณก็ถูกตีต้นเข้าไปด้วยปัญญาจนไม่มีที่หลบก็เข้าไปหลบอยู่ที่จิตนี่แหละวัตจักรสั้นเข้าไปอย่างนี้เองในทางภาคปฏิบัติเห็นได้อย่างชาดัดชัดที่เมื่อกุ่มวงนั้นถูกทําลาย ตีแตกกระจายไปหมดด้วยปัญญาอันทันสมัยอวิชาปัญญาสร้างคาราสร้างคาราปัญญาชิบหายวายปวงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยวัตาจาักรคือตัวหมุนเวียนซึ่งแทรกอยู่กับผิดนั้นเป็นอันว่าหมดปัญหาไปไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือหมุนเวียนต่อไปอีกดังที่เคยเป็นมาแล้วแล้วทีนี้ก็ยังมีปัญหาที่ว่าที่นี่มันศูนย์ไหมที่นี่ไหน เม่อมันไม่มีทางที่จะไปเกิดต่อไปอีกแล้วมันจะเข้าทางศูนย์นีู่ถ้าศูนย์ทาไมรู้ทีนี้หนามันรู้อยู่จะว่าศูนย์ได้อย่างไรธรรมชาติที่รู้นั้นเป็นความรู้แท้ทีนีเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีพิเรกประเภทใดๆแม้ปรมาณนุงเข้าไปแทรกอยู่ได้เลยเรียกว่าธรรมชาติแท้ทองธรรมชาติแท้ก็ถก แล้วธรรมชาตินี้ศูนย์ไหมมนยิ่งรู้ได้ชาติที่นี่ถ้าศูนย์ทำไมรู้น่ะพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระองค์จนกระทั่งถึงความบริสุดแล้วหากว่าความบริสุดนั้นศูนย์ไปแล้วเอาอะไรไปประกาศทมสอนโลกที่นับไม่พอประมาณก็8 0ด0มื่นสร่พันธฐมกัลซึ่งเราทั้งหลายได้เคารพบูชาและปฏิบัติตามอยู่ทุกวันนี้ได้มาจากไหนได้มาจากธรรมชาติที่บริสุดนั้น หากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นศูนย์แล้วจะเอาอะไรามาสอนโลกได้ล่นะนั่นแหละผู้บริสุทธิ์ะศูนย์ไปไหนคำว่าศูนย์ก็รู้แน่บริสุทธิ์ก็รู้ทุกดับไปสมุทัยดับไปเพราะอำนาจของมรรคคือสีมสมาธิปัญญา นิโรธคือความดับทุกข์ดับสนิท ด, ด้วยอานาจของมักสิ่งเหล่านี้ผ่านไปผ่านไปเหมือนเราขึ้นบันไดจนกระทั่งถึงจุดที่หมายผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทยัยนิโรธมากดับไปนั้นคืออะไรผู้นั้นไม่ได้ดับนั่นแลคือผู้บริสุทธ์แท้ คำว่าศูนย์มันก็หมดปัญหาเมื่อเรียนตัวเองจนกระทั่งเข้าถึงขั้นที่กล่าวนี้แล้วใครจะว่าตายเกิดตตยศูนย์มันก็เสียเวลาที่จะฝังเพราะรู้อยู่ชัดๆเห็นอยู่ชัดๆกับตัวจริงอันนั้นผู้เกิดผู้ตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็คือผู้นี้ที่มีธรรมชาติหรือเครื่องพาให้เกิดให้ตายจึงต้องว่านเยี่ยนว่าตายเกิด หยุดไม่หยุดไม่ถอยยับยั้งกันไม่ได้เมื่อมีสิ่งแทรกสิงหรือเป็นสิงมีสิ่งถักดันอยู่ที่นั่นแล้วมันต้องเคลื่อนไหวไปมาในพพน้อยพพใหญ่ลบไม่ศู์ถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปลบเข้าไปล้างไม่สะอาดที่เมื่อสะอาดเต็มที่ด้วยสติปัญญา ความสะอาด จ, จ้าเต็มที่แล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ไปความบริสุทธิ์นั้นศูนย์ได้อย่างไรถ้าศูนย์แล้วจะเรียกความบริสุทธิ์ได้อย่างไรก็มันศูนย์ไปแล้วนี่เราพูด น, นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เรียกว่าทาทั้งแท่งหรือจะเรียกว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเรียกได้ทั้งนั้นเพราะหมดปัญหาที่จะมาคัดค้านกันแล้วที่จะมาต่อสู้กันแล้ว ทำเป็นจิตจิตเป็นธรรมแล้วธรรมชาตินี้จะสูญไปไหนที่นี้เมื่ออยู่กับตัวก็รู้อย่างชัดๆว่าไม่มีทางที่จะสูญไปไหนและไม่มีทิทางที่จะเป็นความมีอยู่แบบที่โลกโลกมีอยู่ทั้งหลายสูญแบบโลกทั้งหลายก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่แบบโลก มีอยู่แบบโลกก็มีก็เป็นไปไม่ได้เพราะความมีอยู่เพราะธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่แบบมีอยู่ของโลกทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นมีอยู่หรือสูญไปเป็นเรื่องของสมมุติธรรมชาตินี้ไม่ใช่สมมติจะให้เป็นอย่างสองอย่างนั้นไม่ได้ยังไม่มีคำใดที่จะไปตั้งชื่อตั้งนามให้เป็นแบบโลกได้แม้เช่นนั้นพระพุทธเจ้า สมกับความเป็นศาสตราก็นางตั้งชื่อธรรมชาตินี้ขึ้นมาว่านิพพานนั่นดับสนิทก็ดับสิ่งที่ควรดับนั่นเองสิ่งที่ไม่ควรดับจะไปดับได้อย่างไรธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ดับได้อย่างไรดับไม่ได้นี่แหละท่านเรียกว่านิพพานไม่ใช่จะ นิพพานมีทางยาวไปประมาณเท่านั้นไม่เท่านี้กิโลนความกว้างของพระนิพพานวัดถาสูงกลางแล้วได้เท่านั้นเท่านี้ความลึกความตื้นของนิพพานแต่ น, นี้นั่นและคือบอ่อแห่งวัฏฏ ะ, ะถ้าเป็นแบบนั้นก็คือแบบวัฏะนั้นอยู่ดีๆนั่นแหละไม่ใช่แบบพระนิพพานของพระพุทธเจ้าถแบบนิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างเดียวเท่านั้นคือบริสุท พูดได้แต่ความบริสุทธิ์หรือจะว่านิพพานก็ให้ต้องหมายเอาธรรมชาตินั้นเลยทีเดียวจะไปหมายเอาความกว้างแคบเลือกตื้นหยาบละเอียดอย่างไรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของสมมติทั้งปวงซึ่งเข้ากับธรรมชาตินี่ที่ไม่ใช่สมมุติไม่ได้นี่วิธีพิสูจน์ตัวเองตายเกิดตายสูงบาปบุญมีหรือไม่มีเมื่อเข้าถึงนี้แล้วทราบเองหมด ไม่มีอะไรที่จะค้านพระพุทธเจ้าไดา้เพราะธรรมชาตินี้ก็เป็นความจริงรู้จริงพระพุทธเจ้ า, าก็สอนเพราะความรู้จริงเห็นจริงแล้วจึงนำมาสอนแล้วจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าถ้าค้านตัวเองไม่ได้ก็ค้านพระพุทธเจ้ า, าไม่ได้เมื่อยอมรับความจริงอันนี้กับตัวเองก็ยอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าเรื่องก็เท่ากันเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหาว่าได้กราบได้ห่างเหินพระพุทธเจ้า แม้จะปริิพา น, นานไปตั้ง2 5 0พันหากว่าปีก็าตามนั่นเป็นเพียงการสถานที่เวลำเวลาไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติอันเป็นความจริงแห่งพุทธะอันแท้จริงนั้นเลยพุทธะอันแท้จริงนั้นก็คือใจที่บริสุทธิ์ผู้ใดถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ถึงตถาคตโดยหลักธรรมชาติอยู่ที่ไหนก็ ไม่ได้หักเหินจากพระตถาคตพระ อ, องค์จะไปนิพผ่านานานเป็นเท่าไรก็เป็นเพียงการสถานที่อันนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เรียกว่าอาการิกธรรมปราศจากการปราศจากสถานที่แต่พูดถึงแบบสมมุติอย่างโลกอยู่ที่ไหนก็กลาพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลามีปัญหาอะไรเนี่ย ผู้เข้าถึงธรรมคือผู้เข้าถึงตถาคตผู้เห็นธรรมคือผู้เห็นตถาคตหมายอันนี้เองไม่ใช่หมายถึงรูปร่างอันนั้นเป็นเดือนร่างของพุท ธ, ธะที่บริสุทธิ์นี้ต่างหากที่กล่าวมาอธิบายมาวันนี้พอจะเข้าใจถึงเรื่องของตัวเองที่เป็นนักตาย ถาวา น, นักตายสูญแล้วศูญแล้วมันจะอะไรมาตายเกิดตายศูนย์อีกเนอ่มันไม่สูญมันต้องเกิดเนี่ยตัวปัญหาใหญ่คือใจดวงนี้ทําให้คนหลงเข้าใจดวงนี้ให้สําคัญที่แปลงต่างๆก็มีสิ่งหนึ่งที่แทรกถึงอยู่ภายในจิตใจนี้จึงหลอกมนุษย์ปิ้นป้อนและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่มีกําหนดปรเจนจล่เวลาสถานที่อะไรเลยวิชาขอเขามีแต่วิชาหลอกวิชาต้ม อ, อย่างเดียว วิชาเป็นความจริงให้เราถึงความจริงนีไม่มีในบรรดาที่เรลยกทั้งหลายนอกจากทำเท่านั้นฮ่าละการพยแยงมทำไม่วนถูกที่จะไปน้องก็ให้ ไ, ไป